10. การปฏิบัติทายวัดป่ามี3ขั้นตอนวงเล็บเปิด29พฤศจิกายน2549จุดจุดนาที1วงเล็บปิดคำสอนของครูบาอาจารย์วัดป่ามีทั้งหมด3ขั้นตอนต้องทำให้ได้นะขั้นตอนแรกเลยให้พุทธโธหรือให้กำหนดลมหายใจแล้วแต่ความสะดวกความถนัดพุทธโธไปทำลมหายใจไปจนใจเราสงบใจเราสงบแล้วอย่าขี้เกียจขี้คร้าน ให้ใจออกมาทำงานคือมาพิจารณาร่างกายนี้ไม่อย่างนั้นใจจะติดแต่ความสุขความสงบเฉยๆอยู่เฉยโง่ๆนะอย่างนั้นเป็นสมาธิโง่ฉะนั้นสงบแล้วต้องออกมาพิจารณาร่างกายให้ใจทำงานหมดเวลาพุโทโธพิจารณากายแล้วเนี่ยต้องทำขั้นตอนที่สคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันขั้นตอนนี้ละเลยไม่ได้เด็ดขาดนะขั้นตอนนี้สาคัญที่สุดเลย หัวใจกรรมาฐานอยู่ที่การมีสติในชีวิตประจําวันหลวงปู่ใหญ่หลวงปูงป่มั่นสอนไว้หลวงพ่อไม่ทันท่านนะครูบาอาจารย์บอกต่อมาหลวงปู่มั่นสอนบอกเอาไว้ว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดทําความสงบมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจําวันปิดเครื่องหมายคําพูดหัวใจอยู่ที่มีสติในชีวิตประจําวันต้องมีสติร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึก ใจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกให้ดูกายให้ดูใจไปอาจารย์มหาบัวเคยสอนหลวงพ่อการปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกบอกอย่างนี้มีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันไม่ใช่นั่งเคลิ้มลูกเดียวนะเคลิ้มลูกเดียวชาติหน้าก็ไปเคลิมอีกนะมันไม่มีปัญญานะสมถะไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาต้องมามีสติรู้กายรู้ใจลงไปซักฟอกลงมาในกายในใจนี้จนมันคลายความยึดถือกายยึดถือใจได้ มันหมดความยึดถือกายยึดถือใจได้เมื่อใดก็เป็นพระอรหันต์เมื่อ น, นั้นแหละเบื้องต้นมันจะเห็นกายเห็นใจเป็นของไม่เที่ยงก่อนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก่อนไม่ใช่ตัวเราพอเห็นกายกับใจไม่ใช่เราจะได้พระโสดาบันนะต่อมาหมดความยึดถือในร่างกายนี้จะได้พระอนาคามีสุดท้ายจะหมดความยึดถือจิตผู้รู้อันนั้นถึงจะจบกิจในาศาสนาพุทธฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจจนเห็นความจริงของเขากายกับใจไม่ใช่ตัวเราหรอก นี่ได้ชั้นที่หนึ่งแล้วเอาตัวรอดได้แล้วเป็นพระโสดาบันแล้วก็มาดูกายของเราต่อไปเรื่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนขับถ่ายคอยรู้สึกไปจะอาบน้ำอาบท่าคอยรู้สึกไปร่างกายนี้มันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่มันเคลื่อนไหวได้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของที่จิตไปรู้ไปดูมันเข้า เนี่ยต้องดูอย่างนี้นะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเป็นแค่ของถูกรู้ถูกดูใจของเราอยู่ห่างๆใจของเราต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาพอใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ใช่ผู้ซึมซมผู้เพงเพงผู้เผลอเผอผู้คิดคิดเอานะใช้ไม่ได้หรอกใจต้องตื่นขึ้นมาให้ได้ใจอย่าหลงอย่าไหลไปตามอารมณ์นะ